สิกขาบทที่สองเรื่องพระชาพครี597สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันารามของอนาถาบินบธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชาพะครีนั่งเท้าสเสอในละแวกบ้านพระบัญญัติสองพึงททำความสาเนียกว่าเราจะไม่นั่งเท้าสเสอในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง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 สิบขาบทที่2จบ